ธรรมะไม่ปฏิบัติไม่ได้หรอกหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆพ่อพาไปกราบท่านพรอหลีวัดอโศการามท่านก็สอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองอะไเป็นเด็กเจ็ดขวบเลงนะมาพ่อนาทําทุกวันเลยไม่เมลิกหรอกถึงปีใหม่ผู้ใหญ่เขาซื้อผ้าเช็ดตัวให้นะเอาสีเหลืองชอบนะ เอามาคลุมนะสวมดมนต์ก็ตั้งแต่เจ็ดขวบทามอานาปนาสติทุกวันจนอายุยี่สิบเก้าเจอหลวงปู่ดนท่านสอนให้ดูจิตตั้งแต่นั้นก็ดูจิตเรื่อยๆมาไม่เคยเลิกเลยดูตั้งแต่ดูไม่เป็นดูทีแรกดูไม่เป็นไปประคองไปรักษาจิตเอาไว้ แล้หลวงปู่บอกว่าทำไม่ถูกไปรักษาจิตไว้เฉยๆให้ดูไม่ได้ให้รักษานะให้ดูไม่ใช่ไปคอยแก้อาการของจิตจิตจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งคอยปัดทิ้งไม่เอาไม่ให้คิดนึกปรุงแต่ง่ให้รู้ตัวอยู่เฉยท่านบอกในนั้นแทรกแซงอาการของจิตให้ไปดูใหม่ไี่ทำผิดอยู่3เดือนนะหาหลวงปูท่ทีแรกมันก็ทาผิดอยู่3าเดือนไปรักษาจิตเอาไว้ ทุกวันนี้พูดเต็มปากนะพวกรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างผิดเรียนมาตั้งแต่ น, นู้นละตั้งแต่ 2,525 25, แล้วเราไปรักษาอยู่3เดือนกลับมาบ้านมาดูใหม่หลวงปู่บอกให้ดูดูก็ไม่ได้ไปทําอะไรจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูไปเรื่อย ท่านให้ดูก็ดูนะไม่ได้คิดเรื่องอะไรอย่างเลยไตโ ล, ล่งไตรักอะไรไม่สนใจหรอกรู้ลูกเดียวเลยรู้รู้สภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาสดสดร้อนร้นี่แหละดูอยู่สี่เดือนสี่เดือนก็เข้าใจจิตได้มาไปส่งกันบ้านหลวงปู่ก็ไปหาท่านครั้งที่สามท่านก็บอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วเข้าใจละต่อไปไม่ต้องพึ่งท่านและไร่างี้ไม่ต้องมาหาท่านก็ได้ช่วยตัวเองได้ละ แต่เราก็ไปนะเรื่องอะไรยังโง่ถ้าไม่ไปนะโง่ามากเลยไปถึงท่านทุกทีท่านก็สอนอะไรซึ่งยากยากใครว่าหลวงพ่อประมวดสอนยากแล้วหลวงปู่ดูลสอนยากกว่า <c oughs> ยากสุดๆเลยอยากฟังบ้างไหมที่ท่านสอนต้นเหตุให้เกิดรูปนามของจั ก, กรวาลเป็นเหตุให้เกิดพบและดวงดาวต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุด รูปตึงดูดซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้เกิดความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและการเวลารูปจะเคลื่อนไหวได้ต้องมีช่องว่างมาคั้นระหว่างรูปรูปจึงเคลื่อนไหวได้ยากไหมจะเอามาพานาอย่างไงอะ่ะ <c oughs> โอ้ยท่านสานนะสอนมากภูมิรู้ท่านเยอะนะท่านชี้ให้ดูกับเบื้องปูพื้นเคลื่อนไหวได้ไหมท่านถามเพราะเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์ สิ่งไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนไหวห <c oughs> ลวงปู่บอกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแต่เคลื่อนไหวทั้งสิ้นเลย <c oughs> มันหมุนอยู่ภายในนะมันเป็นอนุเล็กๆหมุนอยู่ภายใน <c oughs> พระไม่ได้เรียนหนังสือนะพระไม่เรียนหนังสือชั้นปถม ป, ถ ม, ปถมอะไรไม่มีกับใครก็หรอกภาวนาอย่างเดียวสนุกเนาะแต่แปว๊วหายง่วงหมดเลยนะท่านวิจยัยกระทั้งไอสไตน์ style. ทำไมท่านรู้จักก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนที่เรสงสัยนะทำไมท่านรู้จักตอนหลังไม่สงสัยเจอครูบาอาจารย์ทั้งหลายอง์เห็นท่านไม่เคยบอกท่านนะเจอครั้งเดียวอย่างเงี้ยคุยกันทีเดียวอะไรเงี้ยท่านรู้เลยเราเป็นชื่อไหนอยู่ที่ไหนอะไรรู้หมดอย่างหลวงพ่อตอนเวงนฆราวาสไปวัดสันติธรรมมีพระมาะเรียกไปอาจารย์บุญจันทร์ท่านให้เรียกไปอาจารย์บุญจันทร์เราก็เห็นแต่ชื่อนะ เคยได้ยินท่านเทศตามวัดตามไหนก็เคยไปฟังอยู่แต่ไม่เคยเข้าใกล้ไม่เคยพูดด้วยท่านเรียกให้พระมาดักเรียกไปเรียกไปถึงท่านก็จวกเลยว่าเราภาวนาอย่างไงเราภาวนาผิดนั่นแหละท่านจะไปสอนให้สอนเราเข้าใจแล้วโอ้ไม่ใช่เป็นรักษาจิตให้ว่างอยู่ภายในนิรันดร์นะ <c oughs> นิ่ผ่านอะไรมีเข้ามีออกนิพพานปลอม <c oughs> โดนท่านจวกเอา ไม่เคยรู้จักนะไม่เคยรู้ชื่อไม่เคยแะไวไม่ได้บอกอะไรท่านเลยตอนที่คุยกับท่านก็มืดตืต้อเลยไฟฟ้าสักดวงก็ไม่มีมืดท่านเรียกขึ้นไปที่กุฏิชั้นสองหนาวมากนะท่านอุตสามานั่งรอนอนรออยู่ที่ระเบียงมีตังนอนกลุมโปงนะไม่สบายอุตสาหให้พระไปเรียกเรามาหลังจากนั้นกนะ็ไม่ได้เจอท่านอีกผ่านไปนานมากเลย จนท่านมรณาภาพเลหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่ยังไม่ได้บวชเลยไปเผาศพท่านเผากันแถวปักช่องเนะี้ยวัดท่านอยู่เชียงใหม่นะเพือใช้ประการเนะอศพท่านมาเผาอยู่ปักช่องแปลกเงินทางน้นไกลมากตอหลวงพ่อบวชนะพันษาสาพันษาบวชได้สองปีกว่าได้สามพรรษาออกพันษานะแล้วแล้มีโยมมาจากเชียงใหม่มากันสักสิบหัวสิบคนประมาณนั้นนะมารถตู้หนึ่งอะนะ มาจากไหนไม่จากเชียงใหม่ทาไมรู้จักล่ะอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาหลวงพ่อบุญจันทร์สั่งให้มาบอกบุญจันทร์ไหนบุญจันทร์นี้แหละทำผาพึ่งเฮ้ยจำผิดแล้วมัง้งอาจารย์บุญจันทร์ไม่ได้รู้ชื่อเราเสียไหนแต่ว่าสั่งลูกศิษย์นะสั่งไว้ว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้สร้างอย่างนี้ ไม่แปลกนะหลวงปู ด, ดุลจะรู้จกักไอน์สไตน์หลวงไอน์สไตน์เก่งมากนะบอกเขาสามารถคิดคำนวณไปเนี่ยจนถึงสุญญตาแต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะใช้ประโยชน์นี่ท่านวิจารณ์จุดอ่อนของไอน์สไตน์เราฟังนะก็เหมือนพวกเราแต่เนี้ยอ้าปากบอรฮะหลวงปูวิจารณ์ไอน์สไตน์ ต้องภาวนานะให้ภาวนาไม่เหลือวิสัยหรอกที่ฆราวาสจะทำได้สมัยพุทธกาล ร, รวาสเป็นพระอริยะเยอะแยะทาไมเขาเป็นได้ไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกก็มีเท่าๆกันมีสองตาสองหูหนึ่งจมูกหนึ่งปากมีหนึ่งใจหลายใจไม่ได้นะศีลดังพรอ้อยภาวนาไม่ขึ้นให้ภาวนาไปด้ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้ยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางดูไปเร่ยถึงจุดหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเกิดแล้วเกิดเลยขาดสะบั้นไม่กลับมาอีกพอผ่านครั้งแรกมาแล้วเนี่ยเวลาดูลงมาในกายในใจนะไม่มีแม้แต่เงาของความเป็นตัวเราเหลืออยู่นะมีอะไรอยู่มีแต่ขันอยู่แต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขันมีอยู่ อย่างพวกเรารู้สึกไหมมันมีความรู้สึกเป็นเราซ่อนอยู่ในในใจเราเราอย่างงอนเราอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านตะถาคตอย่างนั้นตะถาคตอย่างนี้แต่นั้นเป็นโดยโวหารโดยภาษาใจไม่เป็นใจไม่มีเราอย่างพระพูดอาตมาอย่างงอนอาตมาอย่างนี้มันไม่มีเราเรียกไปอย่างนั้นเองเพื่อสื่อสารคุยกับคนอื่นให้รู้เรื่องพูดมีเขามีเราเราะนั้นโดยสมมุติแต่ในใจจริงของผู้ปฏิบัตินะั้นจะไม่เหลือความรู้สึกเป็นเราอยู่เลย ให้เผล อ, อยังไงนะความเป็นเราก็ไม่ผุดขึ้นมานะถ้ามันขาดแล้วด้วยมรคนะแต่ถ้ามันขาดด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยอะไรไม่ใช่ขาดด้วยมรหายไปชั่วคราวนานๆก็โผล่ขึ้นมาอีกนะก็กลับมาอีกเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงเวลาริยะมรเกิดนะน่าจะล้างกิเลสล้างแล้วล้างเลยตัวไหนขาดแล้วขาดเลยไม่ต้องเกิดมาล้างอีกนะตัวที่ยากที่สุดคาววิชา อภิชาในยากที่สุดเลยยากที่จะเห็นร่องรอยความไม่แจ้งอริยสัจไม่รู้อริยสัจไม่รู้จกักทุก <outgoing. S 2> พวกเรารู้จกักทุกไหมเราไม่รู้จักทุกนะเรารู้จักแต่ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกแต่เราไม่รู้จักตัวทุกขตัวทุกคือตัวขันนี่แหละตัวทุกนี่เราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นว่าตัวขันนี่เป็นตัวทุกนะเราเห็นว่าไม่สมอยากเราก็ทุกนี่ หรือเวลาไม่สบายเจ็บป่วยมีทุกขเวทนาขึ้นมาเป็นทุกข์ทุกข์อย่างนั้นมันเป็นทุกขเวทนาคําว่าทุกขแท้ๆคือตัวขันนั่นแหละตัวทุกขพระเจ้าสอนสังคิตเตนะปัญจุ ป, ปัฏานขันธาทุก ข, ขาว่าโดยสรุปขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเราไม่เห็นว่าขันเป็นตัวทุกข์เราเรารู้สึกขันนี้เป็นตัวเราแถมเป็นของดีของวิเศษหวงเหน็นถ้าคนจะมาขอซื้อมือเราหนึ่งข้างให้ล้านหนึ่งเอาไหม ไม่เอาเหรอซื้อหัวน่าให้สิบล้านเอาไหม <c oughs> ไม่เอาซื้อไตข้างหนึ่งยังพอใช่ไหมยังพอขายได้มีสองอัน <c oughs> ซื้อหัวอะซื้อหัวใจ ไ, ไม่เอาราคาเท่าไหร่ล่ะไม่มีราคาเพราะว่าไม่ขายหวงนะเราเห็นแต่ร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษนะจิตเราก็เป็นของดีของวิเศษ ทุกวันนะหาแต่ของสนุกสนานเพลิดเพลินมาป้อนให้จิตรื่นรมให้จิตมีความสุขไปดูหนังก็หวังว่าจิตจะมีความสุขไปจีบสาวหวังว่าจิตใจจะมีความสุขเนี่ยหาความสุขมาป้อนให้จิตใจตลอดเลยเราไม่เคยเห็นเลยเพราะมันเป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดเราเห็นนะกายเป็นตัวทุกข์จะได้พระอนาคามีวันใดเห็นจิตเป็นตัวทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะจะสลัดคืนจิตให้โลกละจะไม่ยึดถืออะไรอีกจะเป็นพระอรหันต์นะ เนี่ยเพราะว่าเห็นแจ้งแล้วว่าขันเป็นตัวทุกข์ถ้ายังไม่เห็นแจ้งว่าขันเป็นตัวทุกข์นะขันเป็นของดีของวิเศษที่แรงรักหวงแหนอยู่ปล่อยไม่ได้ถ้าเห็นขันเป็นตัวทุกข์นะจิตจะสลัดคืนขันให้โลกไปก็หลุดกันตรงนั้นเองงั้นหน้าที่เราต้องมารู้ทุกข์ทุกต้องรู้พวกเรายังไม่รู้ทุกข์เราเห็นแต่ร่างกายจิตใจเราเป็นของดีไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ต้องมารู้ทุกข์ให้ได้รู้ทุกข์รู้ยังไงรู้ว่าร่างกายจิตใจนี่แหละคือตัวทุกข์นี่แหละเรียกรู้ทุกข์นะ รู้ลงไปเรื่อยๆทีแรกเรายังไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราก็มีสติคอยระลึกรู้รูปนามกายใจของเราบ่อยๆดูมันไปเรื่อยๆดูมันทำงานไปเรื่อยๆทั้วันหนึ่งก็เห็นเองว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่เบื้องต้นก่อนจะเห็นเป็นตัวทุกข์มันจะเห็นก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวธรรมตรงที่ไม่ใช่เรานะนี่แหลพระโสดาบรรตรงที่เห็นกายเป็นทุกข์คืนกายให้โลกไปเป็นพาะนาคคาตรงที่เห็นจิตเป็นทุกข์คืนจิตให้โลกไป เป็นพระอราหันต์พระอราหันต์จะคืนจิตให้โลกไปนะแตกตรงที่บอกว่าคืนจิตให้โลกเนี่ยนึกก็นึกไม่ออกเนาะคืนได้ยังไงจิตเป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประธานเป็นประธานของวัฏฏะสิ <c oughs> เป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างคืนได้พวกเรายังไม่เห็นพวกเราเห็นได้แค่จิตคืนอารมณ์จิตปล่อยอารมณ์อารมณ์คือจิตมันเข้าจับอารมณ์นะจับความรู้สึกหรือจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ภาษามมันจับมันจะแน่นนะ ความทุกข์มันจะเกิดพอมันปล่อยอารมณ์ได้สบายโล่งเลยรู้สึกไหมตรงเนี้พวกเราจํานวนมากเห็นตรงนี้ละมันปล่อยสามัญเท่านั้นแหละใจเย็นๆตรงที่เราเริ่มลงมือปฏิบัติเราก็เห็นแล้วถ้ามันปล่อยอารมณ์ออกไปนะใจก็โล่งถ้ามันไปจับอารมณ์ใจก็ทุกข์นี่ปล่อยอารมณ์นะหรืออีกสองงานหนึงดูไปเรื่อยนะวันหนึงมันปล่อยกายอีกวันหนึ่งมันปล่อยจิตได้ถ้าปล่อยกายปล่อยจิตได้โอ้สบายแล้วนะไม่มีอะไรให้จับอีกแล้วเพราะนพวกเราทํามันได้หนึ่งในสามแล้วนะ อดทนไหมไม่ยากนักหรอกแต่ก็ยากเหมือนกันมันยากตรงที่ใจไม่แข็งพอที่จะทําสม่ําเสมอมันยากตรงที่ว่าจะทําโดยไม่หวังผละมันยากตรงนี้แต่ตรงที่ทําจริงๆไม่ยากอ่ะยี่ยากอะไรมีอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกมันจะยากอะไรมันยากตรงมันหวังผลนะ ยากตรงที่จะดูบ่อยๆให้ต่อเนื่องไปดูมั่งขี้เกียจมั่งอนะไรเงี้ยให้คนไหนใจแข็งนะดูได้ต่อเนื่องใจแข็งมากเลยดูอย่างไม่หวังผลทําโดยไม่หวังผลนี่ทำยากนะเวลาทําบุญไม่หวังผลใจต้องสูงพอนะทําบุญแล้วหวังผลนี่เพลนๆใส่บาทสักทัพียหนึ่งสาธุ ข, ขอให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเยอะๆแหมใส่ข้าวทับพีเดียวไม่กี่บาท จะเอาตั้งหลายห ล, ายล้านอะไรเงี้ยนะบางคนก็ดูถูกเพื่อนเฮ้ยแกขออย่างนี้ไม่ดีฉันดีกว่านิพพานนะปั จ, จโยโหตูเราข้าวใส่ขันใส่บาตได้นิพพานแนละ้ว <c oughs> ได้ก็ไปได้ไง <c oughs> ต้องเดินปัญญาหนึงจะได้ พ, นนพานิพพานทำทานได้รวยทำไมรวยถ้าทำทานได้ด้วยใจจริงๆนะมีเงินน้อยก็รวยนะใจมันพอแล้ว ใจมันเต็มใจมันอิ่มนะคนใจเต็มใจอิ่มก็คนรวยอยู่ในตัวเองแล้วล่ะมีเงินเยอะๆเลยใจหิวตลอดเนยไม่อิ่มนะไม่รวยหรอกยังจนอยู่ยังหิวอยู่เพราะงั้นไปทำเอานะมีสติรู้กายรู้ใจไปอย่างที่เขาเป็นดูไปด้วยตอนไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาพุทโธพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันใจสงบใจตั้งมั่นเข้ามา ยืนพื้นเนี่ยรักษาศีลห้าทุกวันทําในรูปแบบตั้งปณิธานเลยนะตั้งใจไว้เลยจะเป็นจะตายขอทําในรูปแบบวันหนึ่งสิบห้านาทีป่วยหนักก็นอนทําในรูปแบบถึงเวลาคนะรูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะหลวงพ่อพุทธานิโยเคยเล่า ว, ว่าพระเนี่ยท่านใจเด็ดเดี่ยวท่านไม่สบายนะปกติพระต้องมีข้อวัดถึงเวลาต้องทําความสะอาดกุฏิทําความสะอาดวัดอะไรเงี้ยท่านป่วยหนัก ลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วถึงเวลานะท่านก็กําหนดจิต ท, ท่านว่าท่านจะต้องทําความสะอาดนะท่านมือท่านยังขยับได้อยู่ท่านปาดไปข้างๆตัวเนี่ยทำใจว่านี่กําลังทําความสะอาดแต่ว่ามันมีแรงทําได้แค่นี้เองนะก็ยังทำํำนะนิดเดียวก็ยังทําทําช่วงช่วงแขนนิ่งก็ยังเช็ดพื้นไปหน่อยนึ่งนะหรือทุกวันต้องทําในรูปแบบหนะลวงพ่อพุที่เคยเล่านะเดินจงกรมเดินจนเท้าแตกเดินไม่ได้ ก็คลานคลานจงกลมคลานจนคลานไม่ได้นะมือก็แตกเขาก็แตกท่านกลิ้งจงกลมนะนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมานะไปไหนไม่ไหวแล้วนะขยับตัวถึงเวลาที่จะเตือนจงกลมนะนอนขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาเนี่ยใจท่านเด็ดเดี่ยวกันขนาดนี้นะที่ข้ามภพข้าชาตินะเนี่ยประเภณหยอหย่ยแย่ๆมันก็ได้ธรรมะห ย, ย, ย, ย่ยแย่แหละต้องสู้อนะมันไม่ยากเกินไป มันยากพอดีพอดีไม่ยากเกินไปหรอกถ้ายากเกินไปใครก็ทําไม่ได้นี่ใครๆเก็ทํากันเยอะแยะนะคนบนรรลุพระอรหันต์มาตั้งเท่าไหร่แล้วนับจํานวนไม่ท้วนขนาดพระพุทธเจ้านะหลวงปู่ดูลท่านบอกนั่งกับท่านเนี่ยดีอย่างนะอย่าพูดนะนั่งกับท่านต้องนั่งเงียบเงียบนั่งกับหลวงปู่ดูลเนะี่ยเดี๋ยวท่านพูดเองถ้าเราไปถามโน่นถามนี่ถ้าไม่พูดเลยนะถ้าไม่สมควรพู ด, พดท่านไม่พูดเลยวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่าน ท่านก็พิจารณาธรรมะนะท่านก็บอกเออพระพุทธเจ้ามีเยอะเนาะเราดูดูแล้วนะมีมากกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำกุงคาอีกเราก็เราไม่ไม่เคยเห็นแม่น้ำกุงคาแต่เม็ดทรายในแม่น้ำเนี่ยเขต้องเยอะอยจริงๆน่เฉพาะพระพุทธเจ้านะท่านบอกมีนับไม่ถ้วนมลโลกเนี่ยเกิดมาจากจุดไหนนะไปไกลแสนไกลเลยทนะวนไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอต้นตอมัน แต่จักรวาแลแต่ละจักรวาลมีอายุนะมีขอบเขตจักรวาลเกิดดับได้เกิดดับได้นะจักรวาล mm hmm. ไม่ใช่คงทนอยู่หรอกถ้าใครไปเป็นโฟลม์มจะเห็นจักรวาลเกิดดับได้มันดับลงไปจริงๆไปพาวนานะอย่างน้อยมีศีล ด, ดีแล้วละ่ะรักษาศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจาวันเวลาทางานก็ตั้งใจทางานไป ไม่ต้องมานั่งถามหลวงพ่อเวลาทำงานหนูจะปฏิบัติยังไงฟังแล้วหมันไส้นะเวลาไม่ทำงานยังไม่ปฏิบัติเลย <c oughs> แมจะทำงานจะปฏิบัติยังไง <c oughs> อะไรมันจะเวอร์ป่านนั้นเนาะ <c oughs> เ้าส่งกันบ้านใครจะขอเข้ามานะเข้ามาให้หมดเลยนะไม่ต้องมาขอลายควน เ, เสียเวลาอ่ะว่มามานมาสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็รู้สึกว่า ปฏิบัติวันที่สองต่อเนื่องจากเมื่อวานก็จิตตั้งมั่นแล้วก็มันเบาขึ้นอืมก็ดีมันมีแรงมากขึ้นนะมีฉีดใจไม่มีเรื่องมีแรงมันจะไปพอนานได้ไงนะนมรัการหลวงพ่อค่ะกลัวไหมกลัวค่ะกลัวแล้วทําไงเอาให้รู้ว่ากลัวค่ะเออตอบได้แล้วจะถามอะไรอีกต่อไปนะโลภก็รู้ว่าโลภโกรธก็รู้ว่าโกรธกลัวก็รู้ว่ากลัวก็รู้่อย่างนี้แหละแล้วจะเอาอะไรอีกนะไปดูเอาอ้าว เห็นแหมส่งกันบ้านเขาส่งกันแค่นี้แหละบางคนต้อมาเล่าพวงสวัสดานนะเมะื่อวานที่หลวงพ่อว่าให้ไปดูกายก็เลยกลับไปดูแล้วมันเลยจําได้ว่าทิ้งไปสักหลายเดือนตั้งแต่ที่ภาวนาผิดครั้งก่อนอที่ว่าดูกายแล้วไปติดรูปมันไม่มีตัวตนแล้ว ม, มีติดตรงนั้นอื ม, มันก็เลยพอกลับไปมันก็มีแรงขึ้นมามันก็มันก็รู้สึกเออเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นพอกลัวว่ามันจะไปติดอะค่ะก็ลเลยพอแค่ขยับมือแล้วก็ ดึงออกมาไม่ยอมดูอะค่ะตอนนี้ดูได้ใช่ไหมคะดูได้สิแล้วก็อย่าไปเพ่งอย่างเก่าเท่านั้นนะก็ แ, แค่รู้สึกแค่เห็นมันแล้วเห็นความว่าก่อนหน้าที่ทิ้งไปอะ่ะเวลาดูจิตแล้วมันจะทุกข์มากอมนอกจากพอรู้แล้วแยกออกมาว่ามันเป็นทุกข์กับเราไม่แต่ว่าคือเย่าอย่าไปเจตนาแยกนะต้องทนเอาให้รู้ทุกข์ไปจิตยังเกาะกระทุก์ก็รู้ว่ามันเกาะอยู่นะมันทุกข์เยอะลแล้วมันจะหลุดออกมาเอง แต่ถ้าเราจงใจหลุดออกมาเนี่ยจะหลุดด้วยอำนาจของสมาธิคือถ้ามันบ่อยๆถ้าเรารู้ตัวแล้วมันจะทุกมากปล่อยให้มันดูมันดูคนอื่นเลยแต่ว่าอย่าไปอินกับมันดูด้วยใจเป็นกลางถ้าอินนะวุ่นวายกับมันมากเลิกไปก่อนตั้งหลักใหม่ทํายากหมากตานี้เล่นยากล้มกระดานมันแล้วเริ่มใหม่เดี๋ยวจะไม่ก่อนไม่ก็จะเพราะว่ายังคิดไม่ออกเพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดดูเห็นมัน ทุกมันบีบขันตัวนี้มันจะไม่หายแน่ใช่ไหมคะมันคือทุกจริงๆใช่ไหมทุกสิตัวมันะตัวทุกนะไปดูไงเขายังทุกอยู่งนั้นเลยยิ่งถ้าเข้าถึงจิตถึงใจแล้วนะจะรู้เลยไม่มีอะไรทุกเท่าตัวจิตนะของเราไม่เคยเห็นตัวจิตเป็นทุกเลยตัวจิตเป็นทุกเนี่ยทุกเยอะมากเลยเหมือนถูกภูเขาลงมากยี้เลยนะทุกขนาดนั้นนะทุกขนาดที่ว่าถ้าจะดูต่อไปอีกนิดเดียวเนี่ยจิตจะระเบิดเลยแล้วจะตายแล้วทุกขนาดนั้นนะ ไม่ถึงยังยังพอแยกกับมันได้อยู่แต่เดี๋ยวล้วจะไม่ไม่จบเห็นไหมมันยังแยกให่ไหมต่อไปเนี่ยไอ้ที่ว่าแยกแล้วเนี่ยแหละไม่มีทางจะแยกต่อไปนะตัวมันนั่นแหละตัวทุกเห็นหมเราแยกหนีอารมณ์ที่เป็นทุกข์นะฮะตัวมันเป็นตัวทุกข์เรายังไม่เห็นนะเพราะงั้นไม่มีทางหนีเลยตรงที่รู้ว่าไม่มีทางหนีนะ ปัญญามันแทงตลอดนะมันจะรู้ว่าสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่หยั่งเท้าให้มีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะจิตเป็นตัวทุกข์ซะแล้วเมื่อจิตเป็นตัวทุกข์ซะแล้วจิตจะไปอยู่ในพบภูมิใดก็ทุกข์ทั้งสิ้นเลยนะไม่มีที่ให้อยู่เลยตอนนี้ยังไม่เห็นหนอกนะถ้าทําสมาธิตรงตรงเนี้แล้วดูกายไปแล้วสมาธิ ด, ดีขึ้นน่ะมันจะเวลาเราเห็นทุกตรงนี้มันมันจะเป็ น, ม, นมันจะใจมันจะเข้มแข็งมันเป็นกลางได้ มันจะไม่แบบว่าทนไม่ไหวไ <c oughs> นั่นสมาธิก็ไม่ทิ้งนะดี <c oughs> เห็นทุกรู้ว่าที่หลวงพ่อสอบนบัญญาก็รู้ว่าค่ะคือเดินจงกรมอ่ะเดินทุกวันแต่ว่ายังห่างไกลกับที่หลวงพ่อบอกเย <c oughs> อะเลยอะค่ะว่าทํารูปแบบมันมันมีคุณภาพยังไงนันมาจการค่ะจะขอการบ้านหลวงพ่อค่ะขอเราทํำไหมตั้งใจทํา S <S เราเป็นคนฟุ้งง่ายนะคะ<อ>ถ้าเราคุยกับคนมากยุ่งกับคนมากนะ่าจะจะฟุง้งเยอะคงั้นถ้าไม่จําเป็นนนะเราก็พ่อหนาของเราไป<อ>ยุ่งกับคนน้อยๆคลุกคลีน้อยๆ น, น, นะจะ<อ>สบายผ อ, อยากนะ<อ>กันบา้านคเนี้ธรรมะสการค่ะเมื่อวานเป็นวันแรกที่นั่งสมาธิได้แต่หลังจากเป็นปีที่นั่งแล้วไม่ลงเลยอืม นั่งปุ๊บก็สว่างแล้วก็เริ่มโยกโยกไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าลมหายใจหายไปกลัวค่ะกลัวแล้วสักพักหนึ่งก็เลยฝืนหายใจขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าก็ลองนั่งอีกแค่สั้นๆสิบนาทีครั้งละสินาทีไม่ได้พยายามนานเมื่อเช้าพอนั่งปุ๊บก็เริ่มโยกเป็นปกติอีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลองถอนออกมาดู ว่ากายมันก็โยกไปเออมันต้องอย่างนั้นสิก็ปล่อยมันโยกไปแล้วเดี๋ยวมแมลงก็มากัดก็เจ็บก็ดูไปอแต่อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าหนนี้ปิดตามันช่วยมากเพราะแค่จิตเองมันฟุ้งเยอะมากอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนกับตามล้นจนตามดูไม่ทันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปโน่นเดี๋ยวก็วิง่งไปนี่อยู่เยอะมากเลยเวลาที่มันมีให้ดูเยอะจนดูไม่ทันเนี่ยนะหนูดูในภาพรวม อย่าไปดูทีละอันทีละอันจะดูไม่ทันถ้ามันมาช้าๆก็ดูไปทีละอันแต่พึ่มายิบๆๆๆอย่างนี้นะให้รู้ภาพรวมไปว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่พอรู้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่มันจะสงบปั๊บเลยมันจะค่อยๆไหลช้าๆมาแล้วมันจะไม่เร็วปุ๊บปั๊บจนดูไม่ทันนะเพั้นดูภาพรวมไปเลยว่าจิตฟุ้งซ่านก็อีกอย่างเป็นคนรู้ทฤษฎีน้อยไม่จําเป็นต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเรากำลังรู้อะไรอยู่ไม่จําเป็นให้แค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ไปได้ แนั้นก็พอละแล้วเวลานั่งน้ำนั่งโยกโยกหรือพราก็เคยเป็นตั้งเด็ก ๆ, ๆแต่เด็กๆเนี่ยทีแรกนั่งไปพอจิตจะสงบนั้นมันจะเริ่มโยกแล้วก็ไปจําไว้นะว่าก่อนจะสงบเนี่ยโยกพอเริ่มนั่งนะโยกเลย <c oughs> <c oughs> โยกใหญ่สุดท้ายเพราะว่าอโยกแล้วมันดีนะเออนนไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้ลืมตาอยู่บางจังหวะก็โยกค่ะแต่ว่า พอถอนออกมาดูพอมองไปดูสักพักหนึ่งเธอได้รู้สภาวะเดิมเนี่ยมันเหมือนมันมีโมหะครอบอยู่มึนๆค่ะนั่นแหละทําสมาธิมันต้องนิ่งนะไม่ใช่ทําสมาธิแล้วโยกไปโยกมาแต่มันก็ห้ามโยกไม่ได้นะคะตอนนี้ถึงถอนมาดูแล้วก็ยังเห็นกายมันก็ยังโยกอยู่อะค่ะเราพยายามดูสิกายส่วนกายจิตส่วนจิตตัวอย่างนี้กายจะโยกก็โยกไปอย่าไปช่วยมันโยกแล้วนะหนูพลาดแตก่อนนะช่วยมันโยกเลยก็ไปแอบเห็นตอนแรกๆว่าไอ้พอจิตจะสงบนั่นมันจะโยกโยกโยก เฮดีเว้ยส่วนที่ลมหายใจถ้าหายไปแล้วกลัวก็รู้ลงไปที่ความกลัวนะรู้ที่กลัวเลยเอตอนนั้นจิตถอนแล้วตอนนั้นจะหายใจละถ้าตอนจิตรวมอยู่ไม่หายใจตอนนั้นไม่กลัวอะไรหรอกเนี่ยนั่งอย่าไปโยกมันนะถ้ามันโยกก็รู้ว่ามันโยกเราเป็นคนดูค่ ะ, ะต่อไปอคใครจำเป็นกราบนมัตสการหลวงพ่อครับอือคือได้ ฝึกปฏิบัติโดยฟังจากซีดีมาได้ประมาณเกือบปีแล้วครับก็ก็ช่วงช่วงหลังๆนี้ก็คือจะทําในรูปแบบคือเดินจงกรมหลังหลังอาหารเที่ยงครับก็ <c oughs> ประมาณสักรวมๆกันเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิบ้างหรือว่าบางทีก็ยืดเส้นยืดสายแล้วรู้สึกตัวบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณเกือบชั่วโมงครับ <c oughs> แล้วก็ในชีวิตประจำวันก็ก็จะภาวนา บริก ร, รมุทธโธครับอืมแต่ว่าก็บางทีก็ก็จะลืมพุทธโธไปเลยหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ลืมก็ก็จะรู้ว่าเดี๋ยวเพอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกตัวนั่นแหละที่เราพุทธโธนะก็เพื่อจะรู้ทันจิตแล้วอยากอยากอยากถามหลวงพ่อว่าที่ที่ผมบริกรรมพุทธโธนี้เหมาะกับกับตลิทนิไสัยไหมครับพุทธโธเป็นกลางๆลงนะใช้ได้ พุโทโธอะไรนะครับมันเป็นกลางๆใช้ได้ทั่วๆไปแล้วก็พุโทโธไปแต่ว่าต้องรู้หลักพุโทโธแล้วรู้ทันจิตไม่ได้ไปพุโทโธให้จิตนิ่งแต่ว่ า, าผมจะแบบรู้สึกตัวเหมือนกับมีส ต, ติอยู่เฉยๆครับจะไม่แยกคาดแยกขันอะไรเนี่ยแบบนั้นไม่พอนะก็พยายามดูกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจคื อ, อความสุขทุกข์ก็แยกออกไปพยายามแยกให้พยายามคิดนําไปก่อนแล้วคิดนำก่อนได้ต้องแยก หลวงตามหาบัวเคยได้ยินไหมครับเออหลวงตามหาบัวสอนนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาพูดขนาดนี้เลยนะในในทางปริยัติเนี่ยการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งนะชื่อนามรูปปริเฉทธียร์แยกรูปนามนั่นเองก็แยกธาตุแยกขันธนะ์นั่นแหละแล้นต้องต้อ ง, ต, องต้องทำให้ได้ดงนั้นสงบแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยเนี่ยเป็นสมาธินะเป็นสมถะ มีหลายคนเลยที่ฝึกแล้วก็สอนกันด้วยว่าให้รักษาความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะไม่เดินตัญญา จ, จริงตรงที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตมีสมาธินะตั้งมั่นถัดจากนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านพูดด้วยนะพอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยให้โน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะหมายถึงว่าให้จิตไปทํางานนะไม่ใช่ให้จิตคงที่นิ่งเฉยๆอยู่ต้อเอาจิตไปทํางานคือไปเจริญปัญญา ดูดูกายทํางานดูใจทํางานดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆจะให้จิตรู้ตัวอยู่เฉยอย่างนี้ไม่พอนะไมนเป็นสมาธิเฉยๆครับแล้วถามนิดนึงครับก็คือแล้วผมจะคิดนําในช่วงตอนไหนครับเพราะว่าอย่างคือถ้าขันยังไม่แยกก็คิดนําไปก่อนนะคือ ท, ทุกเวลาที่ที่นึกออกก็คิดไปเลยนะเออตัวที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกเนี่ยเป็นตัวที่จิตไปรู้เข้าอะไรเนะี่ยคิดอย่างนี้ก็ได้ เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ทำสมาธิกันเยอะนะท่านถึงขนาดนี้นะท่านพิจารณากายหรือดู ก, กายไปจนร่างกายสลายหมดเลยนะด้วยกำลังของสมาธิที่เข้มแข็งเนะี่ยดูร่างกายเนี่ยผูพังสลายเปื่อยบางทีไฟท่วมไหม้ไปหมดเลยร่างกายหายไปหมดเหลือแต่จิตอันเดียวพอเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วพอจิตถอยออกจากสมาธิร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยในใจท่านจะแจ่มแจ้งขึ้นมากายกับใจเนี่ยขนละอันกันเนี่ยคือวิธีแยกรูปนามของท่านแหละ พอเห็นอย่างนี้ชัดนะต่อไปไม่มีความสงสัยล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตไม่ใช่เห็นเองเลยแต่ถ้าเราทาไม่ถึงขนาดร่างกายสลายหมดนะากช่วยคิดนำไปนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนก็ไม่เป็นไ ร, รต้องควรควรจะช่วยคิดนาไป ไปถึงถึงขั้นไหนครับผมคือตลอดตลอดไปเลยครับคิดไปก่อนนะจกนกระทั่งใจมันถอยออกมาเป็นคนดูได้ถ้าใจมันถอยออกมาเป็นคนดูได้ไม่ต้องคิดแล้วดูของจริง<ก>ถ้า ค, คิดไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้เลยก็คือจนกว่ามันจะเป็นอัตโนมัติเห็นเองแหละครับอมเห็นเองเห็นร่างกายก็เดินอยู่นั่นใจเราดูอยู่ทางนี้อัอโตโนมัติการแยกธาตแยกขันกับกับเห็นไตรลักณนี้เหมือนกันไหมครับมันต่อกัน ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนถึงจะเห็นธาตุเห็นขันธ์แต่ละธาตุแ ต, แต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ใจรักนะก็คือแค่แค่คิดเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ก็พอใช่ไหมครับไม่<ๆ>ต้องคิดอีกซ้อนอีกอะไรยังไม่ต้องถึงใจรักก็ได้นะ อ, อย่างครูบาอาจารย์บางทีพิีรณาใจรักษเลยนะคิดร่างกายเนี่ยตกอยู่ใต้ใจรักดูไปพิจารณาไปนะั้นมันจะแตกสลายไปหมดเลยนะพอเหลือแต่ใจอันเดียวพอมีร่างกายมาใหม่คราวนี้ท่านแจ่มแจ้งเลยวนะ่ากายกับใจควรรักกันแล้วเดินปัญญาต่อง่ายนะ แต่ถ้าเราร่างกายไม่สลายนะค่อยคิดไปก่อนก็ได้ไม่ต้องให้สลายหรอกขอคำแนะนำหรือว่าสิ่งที่ผมคนปรับปรุงแล้วก็การบ้านด้วยครับอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนมาฟังทำบ้างอยู่ในบรรยากาศแห่งความรู้ตื่นเนี่ยพวกติดสมาธิอยู่ได้ไม่นานอนะ่ะอยู่ที่ไหนบ้านนะอยู่กรุงเทพครับเอออยู่กรุงเทพเวลาหลวงพ่อปิเทศจาร่าลูชินอะไรเงี้ยนะไปฟังเอ้อ ช่วงก่อนหน้านี้เจ้าคะหลวงพ่อมันมันเคยเหมือนแบบมีคือเห็นเหมือนตัวเองอยู่ในสิ่งอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เกิดาภาวะที่ตกใจกลัวแล้วก็พอมารายะนี้ยเหมือนจิตไม่ถึงฐานเหมือนภาวนาอะไรไม่ได้เจ้าค่ ะ, จะเจริญเมตตาไปแผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเดี๋ย ใ, ใจก็มีแรงกลับมาภาวนานได้การภาวนานไม่มีอะไรมากหรอก รู้ทันความรู้สึกในใจเราที่กำลังมีอยู่แค่นี้ก็เรียกว่าภาวนาแล้วขอบคุณค่ะเ้าคอร์สวันที่สามค่ะขอกันบ้านค่ะได้กลับบ้านแนะ่ <c oughs> ใจฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านใจสงบก็รู้ว่าสงบนะใจกังวลรู้ว่ากังวลใจเป็นไงรู้่ามันเป็นไปเรื่อ ย, ร, อยรู้จนกระทั่งวันหนึ่งมันมีความรู้สึกเลยใจนี้ไม่ใช่เราหรอกมันเหมือนคนอื่นนะดูมันจนดูเหมือนเห็นเป็นคนอื่นเลย มันทำงานของมันได้เองเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปฝึก อ, อย่างนี้นะกลับนรัส ก, กาหลวงพ่อคะ่ะวันนี้มาส่งกันบ้านนะคะหลวงพ่ อ, อคือตอนนี้รู้สึกว่าเข้าถึงจิตถึงใจได้มากขึ้นนะคะเริ่มเห็นว่า มันปรุงแต่งนะคะจิตมันปรุงแต่งเริ่มบบรู้สึกว่าจิตมันปรุงแต่งนะคะหลวงพ่อคือความคิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็เราก็เข้าไปยึดเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งบางทีก็มีสัญญาเข้ามามันทําให้เราปรุงแต่งไปใชแล้วก็าบางทีก็มันก็ไปไม่อดีตก็อนาคตแค่นี้ค่ะหลวงพ่อแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึก ตามมาคือชอบหรือไม่ชอบอะไรอเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อจากนั้นเนี่ยบางครั้งค่ะหลวงพ่อพอรู้สึกว่าเราคิดอยู่บางครั้งมันก็ไม่ดับมัน ม, มันก็คิดต่อค่ะเหมือนมันว่าเหมือนรู้สึกว่าใจมันอยากคิดความคิดเนี่ยนะไม่ใช่อารมณ์ปรมาจนะิเรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่มีไตรลักหรอกนะคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนนะจิตมันมีหน้าที่คิด ให้เรารู้ทันมันคิดไปแล้วมีสุขมีทุกข์มีกุศลอกุศลเราค่อยรู้เอา<ร>ห้ามมันไม่ได้หรอกหรือคิดไปแล้วลำคาญหรือว่าลำคาญ น, นะ<ร>จะไปห้ามไม่ให้คิดไม่ได้จิตมีธรรมชาติคิดเห<ร>มือนไฟมีธรรมชาติร้อนเนี่ยไปห้ามไม่ให้ร้อนไม่ได้ถ้าไม่ร้อนแล้วก็ไม่ใช่ไฟแล้วอะไรเงี้ย<ร>จิตเธอมีหน้าที่คิดถ้าไม่คิดก็ไม่ใช่จิตสิ่อแสดงว่าโยมดูผิดตัวไม่ผิดอะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ เราเห็นนะจิตมันทํางานได้เองเห็นไหมมันคิดได้เองเราไม่ได้เห็นความคิดไม่ได้เห็นเรื่องราวที่คิดแต่เราเห็นการคิดของมันเออจิตมันคิดได้เองเราเห็นอาการคิดอย่างนี้เป็นอารมณ์ปรมาส่วนเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติไม่มีไตรลักษณ์มันคิดทั้งวันแต่การที่จิตมันคิดขึ้นคิดขึ้นเราเห็นนะมันคิดได้เองนะอันนี้เราเห็นอารมณ์ปรมาสต์อยู่นะอ๋อค่ะอยากจะกลับถามหลวงพ่ออย่างหนึงนะคะว่าบางครั้ง โยมก็มีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกมันอะไรอยู่ในนี้ยคะ่ะแล้วก็โยมก็แบบหายใจหายใจแล้วก็ปล่อยไปไอ้ตัวนี้ก็อย่างนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงไหมครัหลวงพ่อก็แทรกแซงแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงก็แก้ไปก่อนก็ทําอย่างนั้นก็เป็นสมถะทําแล้วได้ดีได้สุขได้สงบเนี่ยสมถะ<อ>ถ้าวิปัสสนาก็จะเห็นไตรลักษณ์ค่ะมีอยู่ครั้งนึ่งค่ะหลวงพ่อ ตามองเห็นคนมันกําลังจะปรุงแต่ว่ารู้สึกตัวมันก็เห็นมันอยู่อย่างนี้ฮะนเป็นไหวอย่างนั้นแหะนะการภาวน า, น, น, า น, นะพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเลยแต่ยิบยๆยิยอยู่นี่แหละแค่นั้นเองเหมือนคลื่นวิทยุเ่งี้นะคลื่นวิทยุแค่นี้นขึ้นๆลงๆก็แค่นั้นเองแล้วก็ค่อยไปแปลอีกทีเป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรงั้นตอนนั้นยังไม่ได้แปลไหวแป๊บ เป็นคลื่นในใจดูออกไหมมันเป็นคลื่นสะเตือนสะเทือนขึ้นมาในใจคลื่นตัวนี้เป็นภาษาสากล น, นะแต่ถ้าสัญญาเข้าไปแปลมันเป็นภาษามนุษย์ของเราเป็นภาษาไทยภาษาอะไรขึ้นมาเป็นตรงคลื่นนี่เป็นภาษาของจิตเลยเป็นสัญญาณกลางเลยเทวดาก็มีคลื่นอย่างเดียวกันนะถ้าจูนก็คุยกันได้ <Okay. S 1> เงื่อนไหวๆอย่างนั้นเลยแล้วยมมีข้อที่จะต้องปรับปรุงอะไรไหมคะหลวงพ่อเพธรอทำเธอทำดีแล้ว คำถูกแล้วขราขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะถอาหมดนะหมดคนที่จะถามเชิญกลับบ้าน